สรุปสาระสำคัญของวิสุทธิมรรคข้อค อ, อระดับปัญญาหรือเรียกเป็นศัพท์ว่าอธิปัญญาสิกขาขั้นที่หนึ่งญาตะปริญญาคือรู้จักสภาวะซึ่งแบ่งเป็นขั้นย่อยอีกสองขั้นคือขั้นกาหนดทุกขสัตตกับขั้นกาหนดสมุทธยะสัตขั้นย่อยที่หนึ่งขั้นทุกขวะวัฏฐานคือกาหนดทุกขสัตรตรงกับวิสุทธิที่สาม ทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิแปลว่าความหมดจดแห่งทิฏฐิคือความรู้เข้าใจมองเห็นนามรูปตามสภาวะที่เป็นจริงทําให้ระงับความเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์บุคคลเสียได้เริ่มดํารงอยู่ในภูมิแห่งความไม่หลงผิดบางทีเรียกเป็นยานอย่างหนึ่งในโสรถยานหรือยาน16บยานแรกนี้มีชื่อว่านามะรูปะปริเฉทยาน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 แสงและรูปหรือสีเป็นรูปธรรมจกักวิญญาณหรือการเห็นเป็นนามธรรมดังนี้เป็นต้นยาตะปริญญาขั้นย่อยที่สองขั้นสมุทัยว่าวัฏฐานคือกำหนดสมุทัยสัตว์ตรงกับวิสุทธิที่สกังขาวิตรณะวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุท ธ, ธิแปลว่าความหมดจดแห่งญาณเป็นเหตุข้ามพ้นความสงสัย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 อันเป็นความรู้ที่ทำให้สิ้นความสงสัยเกี่ยวกับการทั้งสามคืออดีตอนาคตและปัจจุบันความรู้นี้กำหนดเป็นยานขั้นหนึ่งคือเป็นยานขั้นที่สองในโสรถยานยานนี้บางทีเรียกว่านามรูป ป, ปัจจยปริฆหญยานแปลว่ายานที่กำหนดปัจจัยของนามรูปยานขั้นนี้เรียกได้หลายชื่อว่าธรรมมัิติยานบ้าง ยะถาภูตญาณบ้างสัมมาทัสสนะบ้างผู้ประกอบด้วยญาณขั้นนี้พระอัฏฐกถาจา์เรียกว่าเป็นจุลโสดาบันคือพระโสดาบันน้อยเป็นผู้มีคติคือทางไปก้าวหน้าที่แน่นอนในพระพุทธศาสนาปริญญาขั้นที่สองตีรณะปริญญาคือรู้สามั ญ, ญลักษณะหรืออย่างถึงไตรลักษ์ตรงกับขั้นมัคววัฏฐาน คือกำหนดมัคคสัตย์และตรงกับวิสุทธิเฉพาะข้อที่5คือมัคคามัคญ า, าณทัทสนวิสุทธิมัคคามัคญ า, าณทัทสนวิสุทธิแปลว่าความหมดจดแห่งยานที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือไม่ใช่ทางคือยกเอารูปธรรมและนามธรรมา ท, ทั้งหลายขึ้นมาพิจารณาเป็นหมวดหมวดตามแนวไตรลักษณ์ทีละอย่างทีละอย่างเช่นพิจารณารูปโดยอนิจจาลักษณะ โดยทุกลักษณะโดยอนัตตลักษณะและพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามลำดับและโดยลักษณะแต่ละลักษณะไปทีละอย่างและพิจารณาข้อธรรมอื่นๆเช่นในหมวดอญญาญิยตนา12ปฏิจจสมุทบาท12และอะไรก็ได้ทุกๆอย่างแม้แต่ภพสาฌานสี่อปมัญญาสี่สมาบัตส4เป็นต้นพิจารณาไปตามลาดับไตรลักษ์แต่ละอย่าง ในทำนองเดียวกันนั้นซึ่งข้อทรมทั้งหลายนั้นรวมความก็อยู่ในขันห้านั่นเองจนเริ่มมองเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งสังขารทั้งหลายเรียกว่าเกิดเป็นตารุณวิปัสนาคือวิปัสนาญาณอ่อนในช่วงนี้ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิปัสนูปกิเลสสิประการขึ้นมาชวนให้หลงผิดว่าบรรลุมรรคผลแล้ว หรือหลงยึดเอาวิปัสณูปากิเลสนั้นว่าเป็นทางที่ถูกถ้าหลงไปตามนั้นก็เป็นอันพลาดจากทางเป็นอันปฏิบัติผิดไปแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะแก้ไขได้ก็จะกำหนดแยกได้ว่าวิปัสณูปากิเลสสิบนั้นไม่ใช่ทางแล้วกำหนดวิปัสนาญาณที่ดำเนินถูกทางพ้นจากอุปกิเลสแล้วว่านั่นแหละเป็นทางหรือมรรคาแท้จริงซึ่งจะพึงเดินต่อไป เมื่อความรู้นี้เกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าเป็นมัคคามัคยานัศนาวิสุทธิในวิสุทธิข้อนี้มีเนื้อหาซับซ้อนที่พึงทำความเข้าใจคือการเจริญวิปัสสนาในขั้นที่จะทำให้เกิดวิสุทธิข้อนี้เรียกว่านยวิปัสสนาแปลว่าการเจริญวิปัสสนาโดยนยะคือพิจารณาโดยจับแง่ความหมายตามแนววิธีที่ท่านแสดงไว้ในพระบาลีเช่นว่า รูปอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามจะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามภายในหรือภายนอกก็ตามล้วนไม่เที่ยงดังนี้เป็นต้นการเจริญวิปัสสนาในขั้นที่จะให้เกิดมรค า, ามรคยาทัสสนาวิสุทธิข้อนี้เรียกว่านยวิปัสสนาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากลาปสัมมาสนาะกลาปสัมมาสนาแปลว่าการพิจารณาเป็นหมดหมด หรือรวบเป็นกลุ่มๆอย่างที่อธิบายแล้วข้างต้นและความรู้ที่เกิดขึ้นในขั้นนี้บางทีจัดกันเป็นยานขั้นหนึ่งคือเป็นยานขั้นที่สามในโสรถยานยานนี้เรียกว่าสัมมณญาณแปลว่ายานที่พิจารณาหรือตรวตรานามรูปตามแนวไตรลักษณ์เมื่อพิจารณาด้วยสัมมณญาณไปจนยานแก่กล้าขึ้น เริ่มมองเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายไปของสิ่งทั้งหลายมองเห็นความแปรปรวนของปัจจุบันธรรมวัตธรรมเหล่านี้ไม่มีแล้วก็มีขึ้นมีขึ้นแล้วก็ดับล่วงไปมองเห็นการเกิดและดับสลายทั้งโดยปัจใจและเป็นขณะขณะไปก็เริ่มเกิดยานใหม่เรียกว่าอุทย พ, พยานุปัสนาแต่ยังเป็นยานใหม่ๆอยู่ และหยานนี้ตอนนี้เองที่เรียกว่าดารุณวิปัสนาหรือตรุณวิปัสนาหยานแปลว่าวิปัสนาหยานอ่อนๆผู้ได้ดรุณวิปัสนานี้เรียกว่าอารัตถวิปัสกะแปลว่าผู้เริ่มเห็นแจ้งหรือผู้ได้เริ่มวิปัสนาแล้วและในตอนนี้เองวิปัสนูปกิเลชเช่นโอภาษคือแสงสว่างแสน ง, งามเป็นต้นจะเกิดขึ้นชวนให้หลงผิดและติดใจ ถ้ารู้เท่าทันผ่านพ้นไปได้กาหนดแยกว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางได้แล้วก็เป็นอันจบสิ้นวิสุทธิข้อนี้ปริญญาขั้นที่สประหนาปริญญาคือรู้ถึงขั้นละความหลงผิดถอนตัวเป็นอิสระได้ตรงกับวิสุทธิข้อ6ปฏิปาาทายาณทัศนวิสุทธิและวิสุทธิที่7ญาทณทัศนวิสุทธิวิสุทธิที่6 ปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิแปลว่าความหมดจดแห่งญาณอันรู้เห็นทางดําเนินโดยสาระแท้หมายถึงวิปัสนาที่ถึงจุดสุดยอดด้วยอํานาจวิปัสนาญาณแปกับวิปัสนาญาณข้อที่9คือสัจญานุโลมิกญาณแต่พูดอย่างกว้างกว้างวิสุทธิข้อนี้ได้แก่วิปัสนาญาณเก้านั่นเองคือนับตั้งแต่อุทยภยญาณ ที่พ้นจากวิปัสสุกิเลสแล้วเป็นต้นไปจนสุดทางแห่งความเป็นปุถุชนหรือสุดวิปัสสนาวิปัสสนาญาณเกมีดังนี้ 1. อุททยพย า, ยานุปัสสนาญาณหรือเรียกสั้นๆว่าอุททยพย า, ยานถ้านับในโสรถญาณก็เป็นญาณขั้นที่สอุทยพย า, ยานนี้เป็นญาณอันตามเห็นความเกิดดับ คือพิจารณาความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งเบญจขันธ์จนเห็นปัจจุบันธรรมที่กําลังเกิดขึ้นและดับสลายไปดับสลายไปชัดเจนเข้าใจภาวะที่เป็นของไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่อยู่ในบังคับบัญชาตามความอยากของใครอย่างทราบว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นครั้นแล้วก็ต้องดับไปล้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งหมดเมื่อเกิดการรับรู้หรือเคลื่อนไหวใดๆในแต่ละขณะ ก็มองเห็นนามธรรมรูปธรรมและตัวรู้หรือผู้รู้ที่เกิดขึ้นแล้วทั้งรูปธรรมนามธรรมและตัวรู้นั้นก็ดับไปพร้อมกันทั้งหมดเป็นความรู้เห็นชัดแก่กล้าที่เรียกเป็นศัพท์ว่าภาละวะวิปัสนาทาให้ละนิจสัญญาสุขสัญญาและอัตสัญญาได้วิปัสนาญาณข้อที่สองพังคานุปัสนาญาณ เรียกสั้นว่าผังขยานถ้านับในโสรถยานก็เป็นยานขั้นที่ห้าพังขยานนี้เป็นยานอันตามเห็นความสลายคือเมื่อเห็นความเกิดดับเช่นนั้นชัดเจนถี่เข้าก็จะคํานึงเห็นเด่นชัดในส่วนความดับที่เป็นจุดจบสิน้นมองเห็นแต่อาการที่สิ่งทั้งหลายดับไปดับไปเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนจะต้องดับสลายไปทั้งหมดวิปัสสนาญาณข้อที่สาม พระยตูปัฏฐานยานเรียกสั้นว่าพญายานถ้านับในโสรถยานก็นับเป็นยานขั้นที่หกพญายานนี้เป็นยานอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัวคือเมื่อพิจารณาเห็นแต่ความแตกสลายอันมีแก่สิ่งทั้งปวงหมดทุกอย่างเช่นนั้นแล้วสังขารทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นไปในพบใดกติใดก็ปรากฏเป็นของน่ากลัว เพราะล้วนแต่จะต้องแตกสลายไปไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นวิปัสนาญาณข้อที่สีาทธีนวานุปัสนาญาณเรียกสั้นว่าอาธีนวญาณถ้านับในโสรถญาณก็เป็นญาณขั้นที่เจ็ดอธีนวญาณ น, นี้เป็นญาณอันคำนึงเห็นโทษคือเมื่อพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงล้วนต้องแตกสลายไปเป็นของน่ากลัว ไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นแล้วย่อมคำนึงเห็นสังขารทั้งปวงนั้นว่าเป็นโทษเป็นสิ่งที่มีความบกพร่องจะต้องรักคนอยู่ด้วยทุกมิปัสสนาญาณข้อที่หนิพพิทานุปัสสนาญาณเรียกสั้นว่านิพพิธายานถ้านับในโสรถญาณก็เป็นญาณขั้นที่8นิพพิธายานี้เป็นญาณอันคำนึงเห็นด้วยความนายคือเมื่อพิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นโทษเช่นนั้นแล้ว ย่อมเกิดความนายไม่เพลิดเพลินติดใจวิปัสสนาญาณข้อที่6มุนจิตุกรรมมยตายานถ้านับในโสรถญาณก็เป็นญาณขั้นที่9มุนจิตุกรรมมยตายานนี้เป็นญาณอย่างรู้ที่ทำให้ต้องการจะพ้นไปเสียคือเมื่อ น, นายสังขารทั้งหลายแล้วย่อมปราตนาที่จะพ้นไปเสียจากสังขารเหล่านั้นวิปัสสนาญาณข้อที่7 ปฏิสังขานุปัสสนาญาณหรือปฏิสังขาญาณถ้านับในโสรถญาณก็เป็นญาณขั้นที่สิบปฏิสังขญาณา น, นี้เป็นญาณอันพิจารณาทบทวนเพื่อให้เห็นทางคือเมื่อต้องการจะพ้นไปเสียจึงกลับหันไปยกเอาสังขารทั้งหลายขึ้นมาพิจารณากำหนดด้วยตรายักษ์เพื่อมองหาอุบายที่จะปลดเปื้องออกไปวิปัสสนาญาณข้อที่8สังขารูปเปกขาญาณ ถ้านับในโสลรถยานก็เป็นยานขั้นที่11อสังขารุ่เปกขายานนี้เป็นยานอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขารคือเมื่อพิจารณาสังขารทั้งหลายต่อไปย่อมเกิดความรู้เห็นสภาวะของสังขารตามเป็นจริงว่ามันก็เป็นอยู่เป็นไปของมันอย่างนั้นเป็นธรรมดาหรือเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองจึงวางใจเป็นกลางเรียบเฉยได้ไม่ยินดียินร้ายไม่ขัดใจติดใจในสังขารทั้งหลาย แต่นั้นก็มองเห็นนิพพานเป็นสันติบทยานจึงโน้มน้อมที่จะมุ่งแล่นไปอย่างนิพพานเลิกละความเกี่ยวเกาะกับสังขารทั้งหลายยานข้อนี้จัดเป็นสิกขาปปัด ต, ตาวิปัสนาคือวิปัสนาที่ถึงจุดสุดยอดและเป็นพุท ธ, ธานคามินีวิปัสนาคือวิปัสนาที่เชื่อมถึงมรรคอันเป็นที่ออกจากสิ่งที่ยึดหรือออกจากสังขาร วิปัสนาญาณข้อที่9สัจญานุโล ม, มิกยายันหรืออนุโลมญาณถ้านับในโสรถญาณก็เป็นญาณขั้นที่12อนุโลมญาณ น, นี้เป็นญาณอันเป็นไปโดยอนุโลมแก่การอย่างรู้อริยสัจคือเมื่อวางใจเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลายไม่พวงและญาณก็โน้มน้อ ม, อมแล่นมุ่งตรงสู่นิพพานแล้วญาณอันคล้อยต่อการตรัสรู้อริยสัจย่อมเกิดขึ้นในลำดับถัดไป เป็นขั้นสุดท้ายของวิปาาัสสนาญาณต่อจากอนุโลมญาณก็จะเกิดโคตรภูญาณถ้านับในโสรวนดญาณก็เป็นญาณขั้นที่13โคตรภูญาณ น, นี้แปลว่าญาณครอบโคตรคือญาณที่เป็นหัวต่อระหว่างภาวะปุถุชนกับภาวะอริยบุคคลโคตรภูญาณมาขั้นกลางแล้วจึงเกิดมัรคญาณให้สำเร็จความเป็นอริยบุคคลต่อไป โ้ตรภูยานี้ท่านว่าอยู่ระหว่างกลางไม่จัดเข้าในวิสุทธิไม่ว่าข้อ6หรือข้อ7แต่ให้นับเข้าเป็นวิปัสนาได้เพราะอยู่ในกระแสของวิปัสนาต่อไปเป็นวิสุทธิที่7ญาณยานัทสนวิสุทธิยานัทสนวิสุทธิแปลว่าความหมดจดแห่งยาทัทสนคือความรู้ในอริยมรรคสี่หรือมักคยาณนั่นเอง ซึ่งเกิดถัดจากโคตรภูยานเมื่อมัคคายนเกิดแล้วผลลยานก็เกิดขึ้นในลำดับถัดไปจากมัคคาย น, นั้นๆตามลำดับของแต่ละขั้นของความเป็นอริยบุคคลความเป็นอริยบุคคลย่อมเกิดขึ้นโดยวิสุทธิข้อนี้เป็นอันบรรลุที่หมายสูงสุดแห่งวิสุทธิหรือไตรสิกขาหรือการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งหมดถ้านับในโสลยาน มรกายาและผลญาณก็เป็นญาณขั้นที่14และสิหตามลําดับถัดจากบรรลุมรผลด้วยมรกายาและผลญาณแล้วก็จะเกิดญาณอีกอย่างหนึ่งขึ้นพิจารณามรผลพิจารณากิเลสที่ละแล้วกิเลสที่ยังเหลืออยู่และพิจารณานิพพานเว้นพระอรหันต์ซึ่งไม่มีการพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู่เรียกชื่อญาณ น, นี้ว่าปัจเจเวขณะญาณ ถ้านับในโสรถยานก็เป็นยานขั้นที่16ขั้นสุดท้ายเป็นอันจบกระบวนการบรรลุมรรคผลนิพพานในขั้นหนึ่งหนึ่งจบบทที่เกา